เนิ่โยโรคหัวใจโรคไส้เลื่อนโรคลูกหมากโตโรค ก, กระเพาะโรคภูมิแพ้แล้วโรคท้องผูกอีกสมาครทานไม่ผ่าไม่ตัดสมาครทานไม่ไปนอนค้างคืนในโรงพยาบาลออ เส้นเดือนพวกศีนักคลรินท่านก็ามาพวกโรงพยาบาลศีนักคารินมาตรวจดูโรคว่าควรเพิ่มยาอะไรบ้างแล้วก็ควรตัดยาอะไรออกเหล่านี้เป็นต้นสำหรับเดี๋ยวนี้มันก็ถ้าเป็นกางเกงมันก็ขาดเข่าแล้ว เพราะมันล่วงไปอดชิบแล้วชะตาความสุดโซรมได้ใ น, ในโรคล้วนอนิจจังได้ได้ใ น, ใ น, ในโรคล้วนทุกขงัง ใ, ในในโรคล้วนอนัตตานิมิตไม่ต้องพูดนิมิตในพระพุทธศาสนามีสองนิมิตเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปนิมิต รูปนิมิตก็ว่ารูปประธรรมก็ว่ารูปประาธาต์ก็ว่ารูปประขันก็ว่ารูปสังขารก็ว่าว่าหลายอย่างใส่ชื่อเรือนามหลายอย่างรูปประโลกก็ว่ารูปสังขารก็ว่าเรียกว่านิมิตนิมิตแปวลว่าเครื่องหมายนามนิมิตทีนี่เวทนาสัญญาสังขารเวิย ญ, ญาณ เพ่งรูปเป็นอารมณ์เรือกรูปนิมิตเรียกรูปกรรมฐาน <mm <ots> เพ่งอารูปเป็นอารมณ์เรียกอรูปกรรมฐานรูปกดีอารูปกดีเกิดขึ้นแนี่ก็แปรปรวนได้แตกสลายสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นก็แปรปรวนอยู่ในตัวสิ่งนั้นก็แตกสลายอยู่ในตัวเราไม่ได้ทําให้มันเกิดขึ้น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 เกิดขึ้นณนะที่นี้ก็ดับไปณนะที่นี้พอนึกขึ้นก็เป็นอดีตแล้วพอพูดออกก็เป็นอดีตไปเลยจงรู้ตามเป็นจริงซักพระบรมศาสตนาสอนธรรมชั้นสูงเมื่อในพิจรณาเห็นสังขารไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมในในทุกข์นั้นแหละทางแห่งวิสุทธิเป็นศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิอยู่ในตัว ทำแต่ระวัตะบาทส่งต่อพระเนพานทางนั้นทำไมจึงมีโลกีมานปนเปก็เพราะเหตุว่าเอาคำสอนศาสตาอื่นมาปนเปคํคำสอนพระพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธศาสนารับรองแต่สุปฏิปันโนเป็นต้นไปเหลือนอกนั้นไม่เอามาเอ่ยเลย พมาชาและสูตรหรือมหาพระนิพพานสูตรสมณะอื่นถ้าเขาไม่ประบาทยัญยะวิธีของเขาจะมีสมณะทั้งสี่บ้างหรือไม่พระบรมศ า, าสตาทรงยืนยันว่าสมณะทั้งสี่จะมีก็มีในศาสนาพุทธเท่านั้นหรือ เหลือนอกนั้นไม่มีเลยนะพระบรมศาสนายินดีในพุทธศาสนาชนะความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารชนะความยินดีทั้งปวงทําไมจึงยินดีเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพระในโลก ไม่มีสุขเลยสุขของครือขัดก็มีสี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์ บ, บริโภคสุขเกิดแต่ประกอบการแต่ไม่เป็นนี้เป็นสินสุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปฏิจจคตโทษ ถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอเนจังเกิดขึ้นเนี่ก็อประวนี่ยแต่สลายมีราบหนึ่งไม่มีราบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งดินธาตุหนึ่งเสเสริญหนึ่งซุกหนึ่งเป็นโลกกระทำโลกกระทำกับอเนจังกับไตรรักษ์ก็มีความหมายอันเดียวกันนึ่งสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดิน มนุษโลกได้แก่โรคที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโรคได้แก่ชะกามาพัจระหกชั้นพรหมโลกได้แก่กรูปปรมสิบหกชั้นสัพะโรคทั้งปวงทั้งที่มีวิญญาณได้ไม่มีวิญญาณก็ตามย่นลงมาในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเธอจะรู้ตัวหรือไม่เธอไม่รู้ก็ตามก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้น แต่พระบรมศาสดาสอนให้รู้ตามเป็นจริงธรมาโนโสถะควาพระบรมศาสดามีทรงชนมายุอยู่ได้เทศไตรรักษ์มากกว่าสิ่งอื่นพระเป็นนิยานิกระทานามสัตว์ทั้งหลายออกจากวัะสงสาร พิจน า, นาอะไรก็ลงใจรักทั้งนั้นรวมลงในสังขารโลกสังขารปรมาทุกขาสังขารเป็นโลกแก่สังขารปรมารทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งเธอจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่ก็าตามก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้น ทำชั้นสูงพระบรมศาสดาเมื่อทำชั้นสูงศีลก็สูสงสมาธิก็สูงขึ้นไปเป็นดําดับศีลพระโสดาบันศีล ส, สกทาคามีศีลอนาคามีศีลพระหันเป็นโลกุตระศีลเป็นโลภุตระเจตนาด้วยต่ํากว่านั้นลงมาพระบรมศาสดาไม่ยืนยันไม่เอามาเอ่ยเลย เหตุนั้นจึงว่าสุพัฒนโญุชุยยะสาเมิกิ น, นี่นะสาวกของพระพุทธมีพระภาคกาถ้าไม่ยืนยันว่าต่ํากว่าทุพัฒนโนลงมาเป็นสาวกขององค์ท่านนะจะเป็นนิยายใดก็ตามไม่สําคันธไม่ขึ้นอยู่กับนิยายขึ้นอยู่กับกิจที่เห็นทำแต่ก็ขึ้นอยู่กับนิยายอยู่ในตัว เป่นภาษารีบุตรโมกคณ า, าอย่างนี้มาเลื่อมใสพระอัจชริในพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงสำเร็จพระสุปฏิปันโนคือเห็นสิ่งที่ไม่ที่อย่างเป็นทุกข์นั่นเองสิ่งไหนเกิดขึ้นแลแปรปวนแตกสลายสิ่งนั้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสำนับจะทาลายกิเลสทาลาย ความเข้าใจผิดของตนสังขารแบ่งเป็นสองสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองเท่านั้นโลกที่มีใจครองและโลคที่ไม่มีใจครองก็อันเดียวกันธรรมมาอันว่าธรรมทั้งหลายที่ทรงอยู่มีอยู่แบ่งออกเป็นสองโลกิยธรรมโลกุตระธรรมเท่านั้นโลกิยธรรม ก็ต่ำกว่าพระโสดาบันลงมาโลกุตรธรรมก็นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปโลกิยศีลโลกุตระศีลโลกุตระสมาธิก่อเหมือนกันพระพุทธศาสนาสอนแยบยนต์มากลนะเอียดละออไม่มีที่บกพร่องจึงทรงพระนามว่าสถังสัพพยันชนะงเกวระปริปุนงังปุริสุทธังพระมจรยังประกาเศเสสิบริบูรณ์แล้ว ทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายทั้งเบื้องกลางด้วยไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเบื้องต้นคือพระสวสดาบาลเรื่องกลางคือสกทาคามีอนาคามีเบื้องท้ายคือพระละหัน์ถ้าเทียบเป็นบุคคลาธิฐานถ้าเทียบในระหว่างศีลเบื้องต้นก็คือโลกุตรศีลสวัสดิบาลเบื้องกลางก็โลกุตะศีลของพระสักทาคามีนาคามีเบื้องท้ายก็คือศีลของพระละหัน์ สมาธิปัญญาก็เหมือนกันทำแต่ระวาตระบาทส่งต่อพะนิุพานหมดมันขึ้นอ ย, อยู่กับปัญญาสัมปยุตแต่ละท่านแต่ละท่านทำแต่ระวาตระบาทครบไตรไปดกไรศกขาหมดเช่นณนโมอย่างนี้ก็ครบหมดแล้วณนะโมแปลว่านอบน้อม พระโสดาวันรอบน้อมชนิดหนึ่งพระจักคาคามีรอบน้อมชนิดหนึ่งละเอยียดไปกว่ากันพระอนาคามีก็นอบน้อมไปแบบหนึง่งพระหันท์รอบน้อมเต็มภูมิแลว้วจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายจนไม่มีโรคมีโกรธมีหลงยัตีเสมอตันไม่ได้ทําแต่ละเวระบาศมันก็ขึ้นอยู่ตามภูมิของกิจแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านเช่นบางองค์ก็เป็นแต่สักรรว่ารู้เป็นแต่สักรรว่าเห็นพอแล้วครับ ทำไมถึงไหวอย่างนั้นเพราะบารมีแจกก้ามาแล้วส่งต่อพนพาณเพียนเลยนั่นเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นก็คือเทศอนั ต, ตาเราดีๆนี่เองพระพ า, พาหิยะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะท่านบารมีแจกก้ามาแล้วเป็นดอกบัวตูมแล้วบางท่านก็บอกว่าพระหันหมดแล้ว พระสสดาบัลหมดแล้วพระสกทาคามีหมดแล้วพระอนาคามีหมดแล้วเราดีขนาดไหนจึงจะไปเห็นพระสสดาบัลสกทาคามีอนาคามีอรหันเราเราหลับตาพูดพูดตามสัญญาเฉยเฉยเราอยากเห็นพระสวสดาบัลก็ต้องถึงพระสวสดาบัลเสียก่อน เราอยากจะรู้ว่าเกลือมันเค็มขนาดไหนเราก็ต้องกิบดูเสียก่อนเราอยากจะเห็นพระสักคาคามีเราก็ต้องเป็นถึงพระอนาคามีเสียก่อนสักคาคามีอนาคามีเราอยากเห็นพระหันก็ต้องถึงพระหันเสียก่อนพุทธสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเจก พ, พุทธคือพระพระเจคทั้งหลาย สาวกสาวโกพุทธแปลว่าสาวกทั้งหลายสาวิกาพุทธแปลว่าสาวสาวิกาแปลว่าสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธะสี่จำพวกนี่จะไปเทียบเสมอกันก็เรียกว่าไม่รู้จัะทำชั้นต่ําชั้นสูงปราศยกตนเทียมท่านไม่ถูกสัมมาสัมพุพะเป็นชั้นที่หนึ่งปฏิเจกพุทธะเป็นชั้นที่สอง สาวกพุทธเป็นชั้นที่สามสาวิกาพุทธเป็นชั้นที่สี่ทำไมจิงว่าอย่างนั้นเพราะเหตุว่านางเพกษุณีจะเป็นพระทหารในวันนั้นก็ตามข้า ม, มาให้เทศ พ, พระภพกษุผู้เป็นพุทธชนนับพระอรมศาศาสตร า, ศามีชั้นวันลนะเรียกว่าธรรมาทิปไตยธรรมาทิปไตยก็ยังมีชั้นวันละอยู่ เพราะแต่งตามทำเพราะทำก็มีชาติวันละเหมือนกันทำโลกีทำโลกุตระจะตีเสมอกันไม่ได้นั่นอนุปาทิเสสะนิพานกับอุปาทิเสสะนิพานจะไปตีเสมอกันไม่ได้อนุปาทิเสสะนิพานเป็นธรรมอันละเอียดพราะพระรหารสิ้นลมปราณแล้วอุปาทิเสสนิพานพระทหารยังไม่สิ้นลมปราณเราจะไปตีข่าเสมอกันไม่ได้ พระอนุปปาทิเสสาริพานท่านดับทั้งเป็นจะขันส่วนกิเลสนั่นดับไปแล้วนั น, นาณาธรรมังนานาธาตุญาณังพระพุทธเจ้ารู้ธาตุต่างๆนานาธรรมังพระพุทธเจ้ารู้ธรรมต่างๆทั้งที่เป็นโลกีและโลกุตระด้วย เราปฏิบัติเพื่อพ้นทุกปัญหาไม่มากเราปฏิบัติเพื่อลาบยศสนเสริญอะไรต่ออะไรปัญหามันก็มากใครเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นก็พระกิเลสเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นนอกจากกิเลสไม่มีอันใดจะสร้างปัญหาขึ้นเช่นพระอาหาันท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยกานทุนไปแล้ว ส่วนพระโสดาบันลักปัญหาได้เป็นเอกเทศพระตก a าคามีก็เป็นเอกเทศพระอนาคามีก็เป็นเอกเทศพระอรหันต์พ้นปัญหาไปหมดแล้วพระพุทธศาสนาเทศอยู่สี่พันห้าพันสาก็เทศเป็นสองกันกันหนึ่งที่เียกเทศสังฆโหคือสงคฆ์ลงมา กันหนึ่งเทศอสังคะโหไม่สมเคราะห์เลยยาวเหยียดทั่วทั้งตจโรคธาตุยาวออกมาจากไหนยาวออกมาจากใจถ้าย่นก็ย่นลงมาหาใจเป็นเอกนิบาตพระสูตรก็สูตรของใจ่พระวินัยก็วินัยของใจพระปรมัตถ์ก็ปรมัตถ์ของใจเหมือนกันมัดเข้ามาหาใจ นี่ว่าเป็นหนึ่งว่าเป็นสองกายกับใจพระใจไปดกย่นยลงมาเป็นหนึ่งคือเอกนิบาตคือใจมโนโภูพังก็มาธรรมามโนเสถ่ามโนโมยะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นี่ย่นลงมาเป็นหนึ่งพระพุทธศาสนาเชือกเส้นเดียวพระพุทธศาสนาพระบรมศาสตาชราเทศในสันติวิธีเชือกเช่นเส้นเดียวขึงยาวเหยียดทั่วทั้งใจโลกธาต แต่ว่าเมื่อโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาเป็นกองเดียวหาที่วางไม่ได้เหยียดออกไปก็หาทิวางไม่ได้ไอ้ที่แท้ก็เชือกเส้นเดียวนั่นเองถ้าขยายออกเป็นสามก็พระไตรปิฎกครบสามกายวาจาใจตรชิกขาศีลสมาธิปัญญาถ้าแกะออกเป็นสี่ก็คืออริยสัจสี่ถ้าแกะออกเป็นห้าก็คือขันห้า ถ้าขยายออกเป็นหกก็คือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไอ้ที่แท้ ก, ก็อันเดียวนั่นเองทีนี้ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจสงฆ์เข้ามาเป็นขันห้าอีกตาหูจมูกเลี้นกายสงเครฆ์เข้าในเป็นรูปขนันหรือรูปประธรรมหรือรูปประธาหรือรูปปโลกใจสงรฆ์เข้าในนามขนันนั่นหรือนามะธาตุนามะโลกนามธรรมา สัพพ น, นามย่นลงมาหาเอกนามสัพรูปย่นลงมหาเอกรูปในปัจจุบันสัพพทุกย่นลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันนั่นนานาธาตุญาณังทำไมพูดอย่างนี้หัดให้แตกฐานในอัดในธรรมธรรมะปฏิสัมพิธาหัดแตกให้แตกฐานในอัดในธรรม ถ้ายน่นลงมาก็เป็นอันเดียวคือหนึ่งที่ใจสาปะทุกยน่นลงมาให้เอกทุกสาปะสุขก็ยน่นลงมาให้เอกสุส ข, ห เ, สขเหมือนกันสาปะสังขารก็ย่นลงมาหาเอกสังขารเหมือนกันเมื่อศีลสมาธิถือยน่นไตรเสียขาก็ยน่นอยู่ณนะที่นั้นเองมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระบ ร, รมศาสดา มาเทศนาวิธีใหม่ๆทําไมจึงไม่มีปาราชิกสีสังฆาชีสีสิบสามอริยตรสองนิจเกียปยตีสามสิบปยตีเก้าสิบสองปาติเทศนียส์สีส่เสศิชิยวัตเจ็ดิห้าทกรณะสมถะมีเจ็ดทำไมจึงไม่มีทําไมจึงสําเร็จพระนิพพานเอาพระนิพพานเอา ทำไมจริงไม่มีพุทธบัญญัติและอภิสมาจาร์เพราะเหตุใดเล่าเพราะเหตุในปฐมโพธิการท่านเหล่านั้นเป็นดอกบัวตูมแล้วไม่ถึงกับเนยะ อ, อ๋อไม่ถึงกับป ะ, ะปะมะ ไม่ต้องมีบทเป็นอย่างยิ่งมีเนยะพอเนําได้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าทำไมอรารดาบทอุทธธกะดาบทรามบุตรจึงไม่สำเร็จพระโสดาบันละก็ภาวนาจนถึงเนวสัญญาดาสัญญายตนะแล้วทำไมถึงไม่ถึง เป็นผู้มีความจำก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่บอดีกรรมอยู่ไม่มีกา ร, รวนันดังคืนคือเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะเหนียวรูปมาเป็นอารมณ์แล้วเพิกกรสินแล้วไม่เหนียวรูปมาเป็นอารมณ์ตายคานั้นก็ไปเกิดในพรมรโลกแปดหมื่นสี่พันกับแต่ยังเป็นโลกีอยู่ ขณนีจึงไม่ถึงพระสวดาวันถูกวิชานักทำเอกขึ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> ให้ถามในสนามหลวงเดี๋ยวนี้ <c oughs> ขอตอบว่าพระเหตุว่ายังไม่ถึงไตรสระนคมยังเป็นศาสตราอื่นแฝ ง, งอยู่ยังเป็นรัฐที่อื่นแฝ ง, แงยังไม่ถอบทา ถึงไตรสนกคมเพราะยังไม่เข้าใจในไตรสมาคมเหตุนั้นอ น, นันตริยกรรมหกจึงมีมาทุกข้าข้ามารดาพิทุข้าข้าบีดาอรหัตตะข้าข้ า, ขาระรหันโลหิตตัวบาตทำลายถึงพระเจ้ า, พ ร, จาพระพุทธเจ้ายัางถึงยังพระโลหิตไถ่ห้อเกินไปสังฆเภทยังสองแตกจากกัน อัญญสัตทุ ต, ตเทศถือศาสดาอื่นถือศาสตาอื่นก็ไม่สามารถจะบรรลุพระโสดาบันได้ฉะจารพิขานานิพภะโภกาตุอิตัมปิสั่งเคระตะนังปณีตังเอตนะสัจเจนะสุวตีหัตุสูตรอันนี้เป็นสูตรของพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ยอมถือศาสดาอื่นหนักหนักหนัก นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้พูดและผู้ฟังผู้ใดเสียดายอยากล่วงละเมิดศิ้นห้าผู้ใดเสียดายอยากเล่นอบายมุกผู้ใดเสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นผู้ใดเสียดายอยากจะค่าขายมนุษย์ค่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้าเมาค่าขายยาพิษ ท่านผู้ใดเสี้อดาอยากร่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระโสดาบันจะภาวนาเกตวันเกตคืนก็ตามจะยืนขาเดียวอ้าปากกินลมเหมือนชมพูกะก็ตามก็ไม่ถึงพระโสดาบันถ้าเห็นว่าออัอายามุฒทุกประเภทไม่ใช่มนุษย์เวบัตเป็นมนุษย์สมบัต อันนั้นเรียกว่ามิจฉาทิฐิเรียกว่าสีรพตปรามา m a เรียกว่าลูกครัมเรียกว่าไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมคําว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นธรรมัญตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัถันญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุ ข, สขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอั น, นี้อันนี้เป็นภูมิของพระโสดาบันโดยแท้นั่น ถ้าใครสำคัญตัวเป็นพระสโสดาบาันแต่เล่นเลขเล่นผาถือเล God, ิกมียามดีอยู่ผู้นั้นไม่ใช่พระสโสดาบาันเป็นพระสโสดันโสดาโสขาดคณีถูกไหมพูดตามเป็นจริงไม่ได้พูดกระทบกระเทือนท่านผู้ใดเพื่อให้เข้าใจคัด ครูดีอาจารย์ดีมิตร ด, ดีสหายดีตอนไหนทําถูกก็ส่งเสริมตอนไหนทําผิดก็กีดกันเหลือวิสัยจึงอุเบกขาไปเดียวเดียวก็อุเบกขาเลยก็กลายเป็นอุเบกขวางเพราะไม่ใช่ศาสนาพาะพระเจกเหลือวิสัยเอาไม่ได้จึงอุเบกขาคืออุเบกขาในพรห ม, มวิหารไม่ใช่อุเบกขาในโพธิชง โอเบขาเนี่ยโพดชงเจ็ดน่ยคืออุเบขาก็ต่อสังขารที่เกิดขึ้นแปรปรวนได้แตกสลายไปก็เลยวางออเบขาจ้ะไปพักอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแตกก็เจอออกเหมือนกันซุกทุกโอเบขาเกิดขึ้นน้าก็แปรปรวนได้แตกสลายเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงไม่ยืนยันว่าอยู่ในเวทนาใดๆทั้งสิ้นนัน่ใครอยากถึงพระสวสดาบัน ก็อย่าเสียดายเล่นเลขก็อย่าเสียดายร่วงอบายมุกก็ทุกประเภทอบายมุกทุกประเภทนั่นเองเป็นภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันไม่เชีได้ยอยากร่วงละเมิดเลยเห็นว่าเป็นธรรมดำํามุขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากนักนักนักจะภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามถ้าเสียดายอยากร่วงละเมิดชิ้นหายอยู่ ถ้าเสียดายอยากจะถือศาสดาอื่นรัตที่อื่นเลิกดียามดีอยู่ก็เหมือนกันไม่ใช่พระโสดาบันถ้าไม่ใช่พระโสดาบันก็มีหลายบางทีบางทีก็ไปนรกบ้างบางทีก็ไปสวรรค์บ้างเพราะมัไม่แน่นอนถ้าถึงพระโสดาบันแล้วก็ปิดประตูนรกพระปิดอยู่ที่ดวงใจปิดอยู่ที่ความประพฤติแล้วนั่น ถ้าถึงพระสวัสดิบาลแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีก็เปิดประตูไปณนะที่นั่นเองถ้าเดินยังไม่ถึงก็ไม่ได้เดี่ยวไส้แลขวาและไม่ถอยหลังกระช่าหรือเร็วก็เดินไปอย่างนั้นไม่สงสัยว่าเจา้แวะเดินทางจิตทางใจเรียกว่ามัคคุมัคคังเทียบใส่หนทางภายนอกเพื่อเป็นพุคธาธิษฐานเขา้าใจง่ายไอ้แท้ก็คือมัคจิตมัคใจนั่นเอง ผลจิตผลใจนั่นเองนั่นปฏิบัติไม่เพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารแล้วปัญหามันก็มากทำไมจึงเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารเพราะเห็นว่าจริงใดในใจโรคธาตุเกิดขึ้นแล้วแปลวนและแตกสลายทั้งนั้นเอาอันนี้เป็นหลักจึงยินดีในเอ็นไปโอนไปน้อมไปในพระเนพาล อ๋อถามสอดเข้ามาว่าสุขในไตรลกธาตมีไ้ยพระอรหันต์ทั้งหลายปฏิเสธไม่มีถ้าว่ามีสุขอยู่เท่าเม็ดงานนี่วิญญาณปฏิสนธิของพระอรหันต์ก็จะไปจับอยู่ที่นั้นไม่มีเสียเลยท่านจึงข้ามทะเลหลงของเจ้าตัวไปซะชั่วรักหนึ่วมือเดียวหนะัก ดอกบัวสีเรามีไหมมีแจกขั้งพุทธการหรือไม่ขั้งนี้ก็มีดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิฉันใดก็ดีท่านพูนแล้วท่านเข้าไปแล้วท่านดอกกำลังดอกตูมก็ตะเกียกตะกายอยากจะพ้นอยู่ ดอกเสมือ น, านาม้มก็คือทำบาบ้างบุญบ้างเดี๋ยวก็ถือศาสนาพราหมบ้างแล้วก็ถือศาสนารัทธิอะไรอะไรบ้างไปแกะต้นตะเคียนหาเลียบบ้างถูกไหมพวกยังสงสัย คนจะมีมากสักเท่าใด<ม>ก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งนับเม็ดหินเม็ดทรายได้เหมือนกันเรามีกิเลสอยู่เราก็นับได้เหมือนกันกิเลสของเราเท่าฟ้าเท่าภูเท่าเขาเราก็นับได้เหมือนกันนับเม็ดหินเม็ดทรายในท่อมหาสมุทรนับอย่างไร เราเคยเป็นพีบ้านับเม็เหินเม็ดชายเหมือนกันแต่ว่าเรามีกิเลสอยู่เราก็นับได้แต่มันถูกของเราแต่คงจะผิดของนักปราชญ์มเมลียงวันมันก็บอกว่าถูกของมันแต่มันผิดมเมลียงพึ่งก็นับธาตุดินลงมาเอกพธาติธาต์ซะนับธาตุน้ําลงมาเอกอาโปธาต์ซะ นับธาตุลมลงมาเอกวายโยธาตุซะในปัจจุบันนับธาตุไฟลงมาเอกเตโชธาตุซะถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามจนถึงอสงไขยผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้าผู้นับก็ผีบ้าเหมือนกันพระสาเรบุตรท่านคงนับเป็นฝ่ายสังขวโอลงมาที่ท่านนับเป็นหินเม็ดทรายได้ถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามตื้อติวสิวติวอยู่ ใครจะเป็นกรรมการไปนั่งผู้นั่งนับกี่วันกี่คืนจึงจะหมดนั่นท่านก็นับลงมาเป็นฝ่ายสังฆโหสิอาสังฆโหไม่สงเคราะห์นับสังขารทั้งปวงลงมาหาเอกสังขารในปัจจุบัน ก็เกิดดับขึ้นในายวัชรันเห็นความเกิดดับคราชิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยเกิดดับก็คือเห็นอนิจจังเราดีๆนี่เองสิ่งไหนที่เบียดเบียนตนน่ะเบียดเบียนท่านผูอื่นสิ่งนั้นก็คือบาสนั่นเองก็คือสิ่งที่เป็นทุจริตนั่นเองก็คือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองผู้มีเป็นมนุษย์เต็มภูมิ เป็นพระสวัสริ์วันผู้นั้นไม่ล่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่อยู่คนละเป้าเป้าเดียวกันนั่นเองก็อยู่ที่เป้าลูกเป้านามนั่นเองถ้าเห็น่ะศีลก็อยู่ที่หนึ่งสมาธิก็อยู่ที่หนึ่งปัญญาก็อยู่ที่หนึ่งอันนั้นเห็นตามสัญญาเห็นถามความเป็นจริงแล้วอยู่ในที่แห่งเดียวกัน เราเราเลกถึงดินดินจึงจะมีเราเราเลืกถึงน้ําน้ําจึงจะมีเรานึกถึงไฟไฟจึงจะมีเราเราเลืกถึงลมลมจริงจะมีอันนั้นไม่ถูกอาจจะแท้ดินน้ําไฟลมมีอยู่ในปัจจุบันแล้วเรามาบัญญัติกันเพื่อให้รู้ชัดว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นเฉยๆจริงตามบัญญัติจริงตามพระมัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแน่แปลผลแน่แจกสลาย ไม่ใช่แก้โลกแก้เราให้เข้าใจตามเป็นจริงของสังขารเพื่อจะไม่ได้หลงสังขารเท่านั้นสิ่งที่หลงมีอยู่สอย่างหลงเขงไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงคือสกุลนาร่างกายและ จ, จิตใจคือส ก, กุลนารูปสกลหนามของที่เมตเป็นสุขว่าเป็นสุข ของที่ไม่ใช่ตัวตวนเราเป็นของตัวตวนของที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามถ้ารู้ตามเป็นจริงส่วนนี้ชัดแจ้งเป็นปจัจจคาสิทธิแล้วก็ข้ามทะเลหลงไปสักพระบรมศ า, ศ า, ศ า, านาบางท่านก็บอกว่าดิฉันภาวนาไม่ข้ามเวทนาพระเจ้าข้า ถ้าสำคัญว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าไม่ยืนยันว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามอยู่ณที่นั้นเองตามธรรมชาติของมันมันก็เป็นไม่ใช่สามไม่ใช่บุคคลเป็นตามธรรมชาติของมันไม่ต้องทำวิธีข้ามถ้าไปทำกิริยาข้ามมันก็ไม่ถูก จิตก็เหมือนกันถ้าสำคัญว่าจิตเป็นตนจนไม่จิตมันก็ข้ามจิตไม่ได้ถ้าสาคัญว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้มันก็ข้ามผู้รู้ไม่ได้ถ้าไม่สำคัญว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้มันก็ข้ามผู้รู้อยู่ณที่นั่นเองไม่ต้องทำกิริยาให้เป็นเหตุเป็นกรรมเป็นเวรบากเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พูด เหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุกับผลไม่อยู่ห่างกันคนละเก้าอยู่ด้วยกันเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาเว้นไว้แต่ท่านพระพุทจากเหตุผลไปแล้วเพราะท่านไม่สร้างเหตุเพื่อจะเอาผลพระองค์หนึ่งถามหลวงปู่ไม่เจอกัน ได้หลายปีูรูบาครูบาพ้นจากกิเลสแล้วหรือยังไม่พ้นกิเลสในไตเราก็ธาตุมัมาอยู่กับผมหมดผมพันพ้นแล้วครับพระองค์หนึ่งแต่เราไม่ออกซื้อเออพ้นแล้วก็เล่าให้ผมฟังดูสิพระอาจารย์ขาวก็ให้คะแนนผมอดีตอนาคตผมเบื่อแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ในปัจจุบัน เออผมก็ให้คะแนนท่านว่าดีถูกอยู่แต่ท่านยังไม่พ้นเ อ, อท่านยังอาศัยปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาอยู่ท่านยังเปรียด เ, เพ่าปัจจุบันเป็นคนเป็นคนคุมนักโทษเพราะเก็งว่ามันจะลักหนีส่วนพระอาหารหันต์ท่านไม่เฝ้าอยู่ในปัจจุบันและอดีตอนาคตเลยท่านพ้นไปแล้วถ้าพระอาหารหันต์เกรงว่า ปัจจุบันใจรักนี้พระอรหันต์ก็เป็นทุกข์ตายเพราะเป็นนายคุมนักโทษอยู่เราพูดอย่างนี้ทีนี้แกก็เกาหัวทีนี้แกก็เกาหัวทีนี้หัวโตเอ้าผมจะถามซ่อนท่ามท่านปัจจุบันก็คือกลางของปลาอดีตก็คือหางของมัน อนาคตก็คือหัวของมันแล้วปลาตัวนั้นน่ะหัวท่านไม่กินซะหางท่านก็ไม่าไม่กินซะท่านมากินปลาท่านมากินที่ตรงกลางพุิของมันที่สมชาวโลกสมมติเรามันอร่อยแล้วน่ะท่านมากินท่านนั้นที่นี่ท่านจะฉลาดแกมโกงว่าท่านไม่กินปลาตัวนั้นน่ะท่านผมก็ไม่เชื่อท่านนีเก้าหัวอีกที เพราะลาามศาสต า, ายืนยันว่าเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอนาดีอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามถ้าเราติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามมีอุปทานอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็เรียกว่าเรายังมีตัวตนเราเขาอวิชชาตัญหาอุปทานของเราก็ไม่แตกกระจิง เราก็มีวิญญาณปฏิสนธิอยู่นาทีนั้นเองเหตุนั้นเราไม่ติดอยู่ในทั้งสามการเราก็เป็นแต่สักว่ารู้ปัจจุบันอดีตอนาคตก็ดีเราไม่ติดอยู่ในที่ใดใดเลยนี่ผมก็ให้คะแนนท่านว่าถูกอยู่เพราะท่านเดินมักถูกท่านเอาศีลสมาธิปัญญามารวมในเป้าปัจจุบันแล้วแต่ท่านยังไม่พ้นเน้อท่านยังหาเหลี่ยมจะพ้นอยู่ แต่ว่าท่านเดินมัศถูกแล้วท่านอาจารย์เขาก็ให้คะแนนผมผมก็ให้คะแนนท่านว่าเดินมัศถูกเหมือนกันเพราะท่านเห็นกรรมฐานอยู่ในปัจจุบันยัดเนียวไว้ในรูปกรรมฐานก็าตามลื่นามกรรมฐานก็าตามแต่ท่านรักษาปัจจุบันอยู่ก็เรียกว่าท่านเดินมัอยูไม่มีกลางวันกลางคืนท่านยังไม่พ้นเนอเราพูดอย่างนี้ญานสัมปยุศของท่านก็ยังไม่มียานในใจว่าพ้นแล้วแต่ว่าท่านมีปีติ อิ่มใจในปัจจุบันเฉยๆท่านเอาศีลสมาธิปัญญารวมลงในปัจจุบันแล้วถ้าไม่สงสัยหาอันนั้นท่านปฏิวัติ ถ, ถูกเฉยๆแต่ยังไม่พ้นเพราะยังไม่มียานว่าหลุดรอาพ้นโดยสิน้นเชิงถูกไหมเก้าหัวอีกทีนีน้ละเอียดไหมทำคำสอนของพุทธศาสานานั่ ความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากกลับกันไปกลับกันมากรมมฐานแต่ละอย่างละอย่างส่งต่อพระเนปานหมดให้สังเกตดูจิตใจตนเองถ้าเราหนักในราคะเราก็ต้อง เอากระโหลกหัวผีแขวนคอมันสมมุติต้องพิจารณาอสุรรพให้หนักเข้าผลส่วนพิจารณาไปพิจารณามาก็ไปรวมกันลงที่ไตรักนั่นเองก็มาทันแต่และอย่างละอย่างไปรวมกันที่ไตรักเสียก่อนถ้าไม่ไปรวมในที่นั้นก็ไม่มียานเจเบือนายนะักผู้ภาวานาผอมอวรยหากนกัน ผู้แผ่เมตตาพรมวิหารไม่มีกาวันกลางคืนก็ต้องพิจารณาลงสู่อนัตตาธรรมเหมือนกันอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรมีภัยธาตุที่ไม่มีเวรไม่ภัยคือเมตตาธาตุเมตตาธรรมเมตตาขันเรียกว่าขันไม่มีเวรไม่ภัยเป็นอนัตตาขันอนัตตาธาตุธาสําคัญว่าตนเป็นพรมวิหารพรมวิหารเป็นตนมันก็ไม่ถูกมันก็มีอุปาทานอยู่ณที่นั่นเองนั่นนั่น พิจารณาลงถึงอนัตตาธรรมเหมือนกันอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวณีภัยอนัตตาธาตุที่ไม่มีเวณนภัยอนัตตาขันธ์ที่ไม่เวนไม่มีเวณนภัยมรรคธาตุที่ไม่มีเวณนภัยพิจารณาลงอย่างนั้นถ้าไม่พิจารณาลงอย่างนั้นพิจารณากรรมฐานอะไรก็ตามเกิดถ้าม่พิจารณาลงสู่อนัตตาธรรมแล้วไปไม่รอด เอา้าทุกเป็นอนัตตาที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นอนัตตาธรรมที่ควรเว้นมักเป็นอนัตตาธรรมที่ควรเจริญนิโรธเป็นอนัตตาธรรมที่ควรทําให้แจ้งแต่เวลาเจริญกับ จ, จะเจริญอย่างนั้นไม่ถูกเมื่อพิกข์เกิดาทุกเป็นอารมณ์อยู่สมุทัยและตัณหาและมักและนิโรธก็เดินไปพร้อมกันในตัว เป็นเชือ ก, กสี่เกลียวชิ้นห้าก็เป็นเชือกห้าเกลียวถ้าไม่ร่วงแล้วเมื่อสิ้นห้าก็เป็นเชือกห้าเกลียวมาอยู่ที่ใจนักถ้าไม่เสียายร่วงแล้วเมื่อสิ้นแปดก็เป็นเชือกแปดเกลียวมาอยู่ที่ใจที่เราพูดผ่านไปแล้วปฐมปฐมเทศนามันมีไตชี้ขาอยู่ในตัวด้วยแต่ไม่แยกออกอัดถังที่โกมัคโคนะ่ะมันเป็นไตชี้ขาอยู่แล้ว เสยยะทิทางสมมาทิฏฐิสมาสังกปรวาจามันตัวชีววาจโมสติสปังอนัินมันเป็นใจชี้ขาอยู่ในตัวแล้วเหตุนั้นกรรมฐานแต่ละอย่างนะอย่างครบไตศี้ขาอยู่แล้วพระผู้พพิจารณาก็เอาจิตพิจงงารณาเมื่อเอาจิตพิจงงารณ า, าก็ไตศี้ขาก็รวมอยู่ที่จิตแล้วงัว่นมั่นนั่นนั่นเอวังเอาระจีเหนื่อยแล้ว โัวหานก็ให้หารลงมาหายใจวัวหานต้องหารลงมาหายใจยาวเหยียดก็ยาวเหยียดออกไปจากใจทีนี้พวกเราจะทำอะไรก็ทำสักทีนี้หนาหนาทำมังพูดให้มากแต่จะเอาก็เอานิดเดียว ฉันอาหารก็เหมือนกันทำมันนั้นทำมันี่ทำมันนั้นทำมันีนน้เวลาจะเอาใส่ปากก็เอานิดเดียวเท่านั้นแหะอาหารแต่น้ถ้วยละถ้ว ย, วยหรือแต่น้ชาวก็มีทั้งกล้างทั้งกะระดูกเหมือนกันผู้ที่จะรับประทานก็ต้องเลือกเอาฉันใดก็ดีเทศนาก็เหมือนกันอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ของเราไม่มากเราเอาก็เอาอารมณ์อันเดียว อารมณ์อะไรที่มันเป็นไปในกา마เวตกพยาบาทเวตกมหิาเวตกอารมณ์อันนั้นอย่าไปส่งเสริมเลยนะเอาละเป็นสองกันแล้วเนี่ยออเอออเดี๋ยวดยวจะทำอะไรก็ทำซะจึงให้พรที่หลัง คนแก่เก็บตายมันไม่มีเอวังมันแก่อยู่ไว้มีกราวันกลคืนเราก็เทศไม่มีเอวัง <c oughs> ยะทาวอะติวาปราปนิเรนิากะลังวมีวเอตทินังเปทานังอุปปติจิตังมุติตังุมางคิปตเมว่จะมตุสพียปุเรนตุสังคปายันโทนรโสยะามโชติรโสยะาสพีติโยยะวัฉโนสะตุโคสะโยโรโวนาตตุมาเตภวัตุอันธรายโยติทิาโยโกอภิวาทานสีนิสนิจังวุตาปัญญานจจตารรมาวัทันติ อายุวนโนสุขังารังสัพพพุทธานุาเวนะสัพพะตมานุภาเวนะสัพพสงคาาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังส้างกรัตนติังรัตนอนังอนุภาเวนะจตุลาศีติสารธรรมคันดาโนภาเวนะปีตกตยานุภาเวนะคินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอัณตรายาสัพเพเตอปัตตวาสัพเพเตตุนเนมิตาสัพเพเตอวังอมังคารวนันตุ อายุวัตโกตกานาวัตนาวัตโกตการชืวัตโกตการนสาวัตโกตการภระวัตโกตกาวันนวัตโกตกาสุขาวัตโกตการหัวโตชัพตาตุคโรขรยาเวราโสกัสราตูจุปตมานการตระยาปิเวนัดันตุชาติชาสาชยาสิทิตนางลาภโสติปักยังสุขังวรังสุธิอายุจวันโนจัปโขกังวัติะยาสวาตถวสตถาจะอายุชะชีวสิทีปวันตุเตปวะตเจสปามังคารังขันตุตปฏิตาสภะพุทธานุภาเวนะ สตาโสตีปวันตุเตปวัตตุสะปมาณกาละกันตุสะปฏิปตาสะพัฒมานุภาเวนะสตาโสตีปวันตุเตพวัตตุสะปมาณกละกันตุสะปฏิปตาสะพัฒสร่างกานุภาเวนะสตาโสตีปวันตุเตอยู่ทุกข์ว่าไม่มีขุมานันเถิดพุโธธรรมูสังโฆนิพานะด้วยเดชพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระญาสงทั้งหลายขออภัยนอกชาวพุทธทุกตันหาทั่วต่างไตรโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเ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 คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณพระสารีบุตรเดินยองกลมกลับไปกลับมากราบทูลพระบรมศาสีนาว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะย่นลงมาเป็นเอกะคุณก็ตามก็ไม่มีประมาณพระเจ้าข้าจะขยายออกก็ไม่มีที่จะขยายออกไม่มีประมาณทั้งขยายออกและย่นเข้าด้วยพระเจ้าข้าถ้าย่นเข้ามาเป็นกองหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีที่จะวางไว้เออถูกหัก ถูกละเพราะเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ถึงเชือกได้ไกลเพราะเชือกของเธอยาวปัญญาของเธอยาวสาวกใดๆจะมีปัญญาเสมอเธอไม่มีเธอถูกแล้วไม่ว่าจะเท่านั้นจะได้ลึกอยู่กี่กับกี่กันก็หมดไม่เป็นนักสาธีบุตรนะจะย่นลงมาเป็นหนึ่งก็หาที่วางไม่ได้ ทั้งโลกและนอกโลกทั้งพระนิพพานด้วยแต่คุณพุทธธรรมสงไปรวมคิวกันอยู่ที่พระนิพพานพุทธุทคพทพธรรมพุทธคุณพุทธธรรมสงบางต้นคือพระโสดาบันคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณท่านผู้มีคุณคุณสารพัดคุณไปรวมคิวอยู่ที่พุทธธรรมสงพุทธธรรมสงไปรวมคิวอยู่ที่พระนิพพานเอวังไป